การเจริญสติติดต่อกันเหมือนลูกโซ่นั้นไม่ใช่แต่ว่า นั่งอยู่ในห้องกรรมฐานเพียงอย่างเดียวจะไปไหนมาไหนอาบน้ำซักเสื้อซักผ้าก็ให้มีสติดูการเคลื่อนไหวของรูปกายและมีสติดูจิตใจอยู่เสมอนั่นแหละท่านเรียกว่าปฏิบัติให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่ หลวงพ่อเทียนจิตตะสุโภอเาก็มาเป็นกัลยาณมิตรกันแนะนำสิ่งที่มีสาระมีประโยชน์ในลักษณะสภาพที่ผู้ผู้เห็นว่าไม่ได้มาเป็นครูบาอาจารย์ไม่ได้เป็นผู้รู้ที่จะมาสอนมาสั่งแต่ว่า อยากจะมาทำหน้าที่นี้หน้าที่ที่เป็นเทวทูตทูตในทางธรรมมาบอกมาเตือนให้ท่านผู้ฟังเนี่ยไม่ควรประมาทในการใช้ชีวิตเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยตั้งแต่ปัจจุบันนี้ไป เราก็ต้องบายหน้าไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายแลว้วก็ความพัดพราดซึ่งสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่อยากได้พบไม่อยากได้เจอเป็นสิ่งที่นํามาซึ่งความทุกข์แต่ว่าเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงจากสิ่งเหล่านี้ได้ ทุกคนจะต้องแก่เมื่อเกิดมาแล้วจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อเกิดมาแล้วจะต้องตายเกิดมาแล้วจะต้องมีความพลดพลากจากสิ่งที่เรารักจะต้องได้เจอเจอกับสิ่งที่เราไม่รักคือมีความรักแล้วก็มีความชังเกิดขึ้นในจิตใจ อันนี้จะเรียกว่าเป็นเทวทูตก็ได้เขามาบอกมาเตือนเราเราก็ควรจะพิจารณารับฟังเอาไว้รู้เอาไว้จะได้เตรียมตัวเตรียมจิตเตรียมใจเพื่อจะเผชิญว่ากับสิ่งที่เทวทูตเข้ามาบอกมาเตือนเราแต่ว่าอันนี้เราจะฟังเอาไว้เป็นแง่คิด แต่ในตัวปฏิบัติเนี่ยเราก็มีอยู่การปฏิบัติตัวเราเพื่อจะไปเชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้นั้นก็คือการสร้างบุญกุศลเอาไว้สั่งสมบุญกุศลเอาให้มากๆเมื่อเรายังมีโอกาสเมื่อสิ่งเหล่านั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นกับเราเราก็ยังมีโอกาสที่จะเตรียมตัวเตรียมจิตใจไม่ได้แต่แม้ว่าเกิดขึ้นกับเราแล้ว เราก็ยังแก้ไขได้ทันในตอนนี้ยังไม่สายเกินไปบางท่านอาจจะมองไม่เห็นเยเราก็ยังไม่แก่นะเราก็ยังไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ยังไม่ตายเรายังมีความสุขดีอยู่บางท่านอาจจะคิดแบบนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเราสามารถที่จะสั่งสมเอาไว้ก่อนได้เม่ยังไม่ถึงกับเราตัวเราเองยังไม่มีอาการแบบนั้น แต่ว่าเราลองสังเกตุคนใกล้ๆตัวเราเพื่อนของเราญาติมิตรหรือบุคคลอื่นๆที่เราได้รู้ได้เห็นสิ่งเหล่านี้เขามาบอกมาเตือเราเหมือนกันนะให้เราพิจารณาดูดีๆอาจจะไม่เกิดขึ้นกับเราในตอนนี้แต่เราก็สังเกตุดูได้เมื่อเกิดขึ้นกับคนอื่นแล้วเขารู้สึกเป็นอย่างไรบุคคลนั้นเขาทนกับสภาพนี้ได้ไหมเมื่อความทุกข์มันบีบคั้น เราสังเกตความรู้สึกของเขาสังเกตดูดีๆเะแล้วก็มันน้อมาใส่ตัวเราเมื่อเขามีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเช่นความทุกข์บีบคั้นเราลองน้อมาใส่ตัวเราว่าถ้าเราเป็นอย่างนั้นบ้างเราจะรู้สึกอย่างไรนะบางท่านก็เคยมาเยี่ยมมาเยียน ม, มาปรึกษามาถามสภาพที่ผมเคยได้ประสบมาเขากลับไปบอกว่าถ้าเป็นเขานะเขาทนไม่ได้หรอก เขาต้องฆ่าตัวตายคุณทนอยู่ได้อย่างไรนถ้าเป็นเขาเลเขาต้องฆ่าตัวตายนี่เป็นความรู้สึกของเขาเนะเพราะนั้นในความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นเราลองลองเปลี่ยนเอาใจเราไปใส่ใจเขาเอาใจเขามาใส่ใจเราเรานึกือว่าสภาพความทุกข์ี่นั้นเนี่ยเราทนได้ไหมเราจะหาทางออกได้อย่างไรอันนี้เป็นการฝึกหัดคิดฝึกหัดเไวว่าจะออกอย่างไรคือว่า เตรียมตัวไว้ก่อนหารูทางไว้ก่อนจะได้ไม่ประมาทันเนี้ยถวเป็นสิ่งที่ควรพิจนารณานแต่ว่าเมื่อเรามีโอกาสเมื่อเลยไม่เป็นอย่างนั้นสิ่งเหานั้นมันยังไม่ใกล้ตัวเราก็ตามเราก็อย่าประมาทต้องสั่งสมกุศลเอาให้มากการให้ทานการรักษาศีลก็ทำไปเรื่อยๆแต่อย่าลืมบุญสูงสุดในทางคุธศาสนา คือการภาวนาบุญที่เกิดจากการภาวนานี่แหละถือว่าเป็นบุญสูงสุดการภาวนาเนี่ยถือว่าเราสามารถนำเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ชีวิตที่ดาเนินไปด้วยการภาวนาเนี่ยเป็นชีวิตที่มีคุณค่ามีความหมายไม่ไร้สาระถือเลยว่าเป็นกาไรชีวิตก็ได้หัวใจของการปฏิบัติธรรมนั้นก็คือ การนำเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันไม่ใช่ว่าจะต้องทำที่นู้นที่นี้อย่างเดียวนะไม่ใช่การภาวนาเนี่ยถ้าเรานำเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ล้วก็คุ้มค่าทำให้ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่คือว่ารู้ไปเรื่อยๆรืรู้ไปเรื่อยๆรืรู้ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยจะเป็นการสั่งสมบุญ สังสมบุญได้ตลอดทั้งวันทุกครั้งที่เรารู้คือรู้สึกตัวเนี่ยก็เป็นการสังสมบุญเอาไว้แล้วหนึ่งในจิตใจของเรารู้หนึ่งรู้สองรู้สามรู้สี่มากรู้เมื่อไหร่แล้วก็บุญก็มีโอกาสได้เต็มจิตเต็มใจเรายิ่งบุญที่เกิดจากการภาวนาแล้วแล้วก็จะรู้ว่าเป็นยอดของบุญก็ได้ยอดบุญเหนือทุก เพราะว่าทาให้เราออกจากความทุกข์ได้อย่างยอดเยี่ยมบุญที่เกิดจากการภาวนาเนี่ยจะว่าเป็นยอดของบุญที่ให้เราออกจากความทุกข์ได้อย่างยอดเยีย่ยมในชีวิตวันเนี่ยเราจะควรมีสิ่งนี้ไว้คือการภาวนาอยู่เนือ ง, งรู้สึกตัวอยู่เนือ ง, นงเนี่ยถือเป็นส่วนที่สําคัญมากถ้าออว่าเราสามารถ นำอาการเจริญสตินี่นะเอามาใช้ในยุบํามั น, นให้ต่อเนื่องกันนานๆรู้เท่าทันในอาการของกายของจิตของใจรู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตคือสิ้นลมหมดลมเมื่อไหร่แล้วก็เราจะพ้นจากปัญหาโดยสิ้นเชิงยิ่งเรา ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราถ้าปล่อยวางนด้มนมาเลยแล้วก็มันจะสิ้นปัญหาในว่าในว่าตาสองสารเนี่ยไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเลยการปล่อยวางนั้นตัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตเราควรจะฝึกเอาไว้เมื่อเรายังไม่สิ้นลม ปล่อยวางหน้าที่การงานไว้ชั่วคราวไม่ใช่ขี้เกียจนะไม่ถึงว่าเราทำงานมามากแล้วค่ำเก้งเกี่ออยวกับการทางานถึงล่าวที่ต้องหยุดเราต้องฝึกที่จะปล่อยวางบาปล่อยวางหน้าที่การงานปล่อยวางทรัพย์สินเงินทองที่เรามีอยู่ปล่อยวางครอบครัวญาติมิตรปล่อยวางสิ่งที่มันกังวลใจและวิตวิตกวกัิวลต่างๆวิวิกววิต ที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ต้องการความโกรธความหงุดหงิดความเบือ่ออึดอัดขัดเคืองเมื่อมันเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยเราจะควรจะมีสติรู้ทันมันแล้วก็ฝึกที่จะปล่อยวางมันซักบ้คิดปล่อยวางก็ยังดีนะคิดปล่อยวางมันบ้างฝึกปล่อยวางเปลี่ยนอารมณ์เราเครียดเรื่องนี้รู้ทันเปลี่ยนไปทาสิ่งอื่นที่มันดีกว่าที่ทาให้เรา ไม่เครียดนะเนี่ยกช้ า, าตัวปฏิบัติลนะะเปลี่ยนมันนะมันเกิดความสุขเกิดความยินดีอยากได้พอใจติดตามเนละยเราลองฝึกที่มีสติรู้แล้วลองไม่ทําตามมันบ้างฝึกไม่ทําตามมันบ้างอยากเพียงเล็กน้อยที่ประกอบไปด้วยกิเลสนะที่จริงเรารู้อยู่นะแต่เราไม่เคยมีสติที่จะเอาชนะมันได้ เราติดตามไปเรื่อยๆแล้วก็เสียเปลี่ยนเราลองฝึกที่จะไม่ทำตามมาสักบ้างเอาชนะโดยที่ไม่ทำตามนะสุดท้ายต้องจับปล่อยวางเนี่ยในความโลภในความอยากต่างๆทําให้จิตใจเราเคยชินที่จะไม่ยึดติดมันแล้วก็สิ่งที่มันค้างคาใจเรื่องอะไรก็ตามที่มันค้างคาใจเราอยู่จะเป็นเรื่อง ความโกรธโกรธบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือความไม่พอใจในสิ่งอะไรก็ตามเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องหนี้สินเรื่องการงานที่เกี่ยวข้องกับในจิตใจเราที่มันค้างคาใจเราอยู่คิดทีไรก็ทุกๆ ท, กทีที่เป็นเรื่องราวในอดีตที่มันค้างขาใจให้มีสติรู้ทันแล้วก็ รู้จะที่จะปล่อยวางมาสมัหนถ้าปล่อยตอนนี้ไม่ได้เนี่มันอันตรายนะเราจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้ตัวถ้าเราตายจากตรงนี้ไปแล้วเราปล่อยวางสิ่งค้างคาใจไม่ได้แล้วก็มันจะติดตามเราไปพบน้อยพบใหญ่ผลก็จะเป็นทุกข์และสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องฝึกฝึกที่จะปล่อยวางตัวเราของเราด้วย ตัวตนนี่สําคัญนะอัตราตัวตนเนี่ยยิ่งอัตราใหญ่ความทุกข์มันก็ใหญ่คือตัวตนใหญ่อัตราน้อยตัวตนน้อยทุกข์มันก็น้อยถ้าไม่มีอาตาัตราไม่มีตัวไม่มีตนเลยคือไม่ยึดมั่นถึงมั่นเลยเนี่ยทุกข์มันก็จะไม่มีจะไม่เกิดขึ้นแต่เนื่องจากว่าเรายัางยึดมั่นถึงมั่นในตัวตนอยู่ก็ไม่เป็นไรเราลองฝึกเทียบปล่อยวางมาสักวัน ปว่างโดยการนอนนิ่งๆนะอันนี้ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นเรื่องของกายเรื่องของจิตความโลภความโกรธความหลงอย่าไปยึดมั่นถึงมั่นว่าเป็นตัวเราอันนี้ไม่ใช่ตัวเราเหรอกกายนี่มันไม่ใช่ของเราเป็นของธรรมชาติความรู้สึกนึกคิดจิตใจมันก็ไม่ใช่ของเรามันเป็นของธรรมชาติไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรอกกายจิตเรามีอยู่แต่ว่า มันไม่มีตัวตนอยู่จริงหรอกของเขามีอยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่าไม่มีตัวตนอยู่จริงฝึกที่จะปล่อยที่ยวางแม้ในความคิดก็ยังเป็นประโยชน์แต่ถ้าเราสามารถที่จะมีสติมีปัญญาปล่อยวางตัวตนหรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ได้เมื่อไหร่เราก็ถัอว่าเป็นการสิทธิ์การเวียนว่ายตายเกิด ในวัฏสงสารอีกต่อไปก่อนตายทําอย่างนี้ได้ไหม้วก็มันจะเป็นประโยชน์จะคุ้มค่ากับที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์จะเรว่าตายดีก็ได้ถ้าตายด้วยจิตที่ไม่ยึดมั่นถึงมั่นเนี่ยถือว่าตายดีตายดีนั้นตายอย่างไรคือตายด้วยจิตที่สงบแล้วก็มีสติในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยสําคัญมากที่ว่า สาภาวะจิตสุดท้ายเนี่ยเป็นจิต ท, ที่สำคัญมากถ้าจิต ท, ที่เป็นกุศลมีสติมีความสงบเมื่อไหร่แล้วก็สุขคติเป็นที่หวังได้แต่ถ้าตายด้วยจิต ท, ที่ฟุง้งซานไม่สงบขาดสติอันนี้คือทุกคติเป็นที่หวังได้วัดการตอนที่จิตสุดท้ายนาทีสุดท้ายนาทีทองวินาทีสุดท้า ย, าาายแต่ว่าเป็นสึกจริงพบกนะ็ได้ วัดกันด้วยจิตตีสุดท้ายของชีวิตเนี่ยสำคัญมากว่าคติเราจะไปทางไหนใช่ ไ, ไหมเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยเราสามารถที่จะวัดผลได้ว่าเราอยู่อย่างไรเราก็ตายอย่างนั้นอยู่อย่างไรตายอย่างนั้นเรามีชีวิตอยู่อย่างไรแล้วก็ไปอย่างนั้นเห็นไหมว่า ในปัจจุบันเนี่ยเรามีชีวิตที่มีความสุขทําแต่บุญกุศลแล้วก็เจริญสติต่อเนื่องอยู่เนืองเนืองอันนี้คือการใช้ชีวิตที่อยู่และตอนตายชีวิตก็จะไปในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสุขมีความสงบมีสติใช่ไหมไปสู่สุขติไปดีแต่ถ้าหาว่าชีวิตในแต่ละวันเนี่ยดำเนินชีวิตอยู่ด้วย บาปอาุศลสะสมแต่เรื่องกองกิเลสแันนั้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้โลภหรือโกรธคนโน้นโกรธคนนี้หงุดหงิดอึดอัดกัดเคืองพื้นฐานของจิตมีแต่ความทุกข์ที่หงุดหงิดที่โกรธที่โมโหเนี่ยสะสมแต่กองกิเลสไม่เคยสร้างบุญสร้างคุณหลงลืมสติอยู่เนืองเนืองจิตใจฟุง้งซ่านวุ่นวายใช่ไหมเมื่อเราตายไปเนี่ยมันก็ไปสู่ทางที่ไม่ดี สู่ใจิตใจที่มีแต่ความทุกข์มันก็ไปสู่ความทุกข์เราอยู่อย่างไรเราก็ตายอย่างนั้นนั้นสำคัญมากในชีวิตที่เป็นความเป็นอยู่นต้องทำให้ดีเข้าไว้ให้มีความสุขให้มีสติเข้าไว้เราจะได้เป็นกาไรชีวิตนะอันนี้เราก็ถือว่าเป็นเทวะทูตไม่ใช่เป็นครูบาอาจารย์เป็นเทวทูตปราตนาดีกับ กัละยะาณมิตรเพื่อนทุกๆค น, นจะได้นำเอาไปพิจารณาเพราะว่าชีวิตของเราไม่แน่นอนแก่ไม่บอกเราเราไม่รู้มันเจ็บมันตายมันพลาดพลาดเรารู้ไม่ทันเราเตรียมตัวเอาไว้เพื่อความไม่ประมาทก็นำเอาไปพิจารณา